จะขอนี่คือคำสัญญากับอันตรายชาติทหาร เพื่อนํารักกลับมา จงท้าย้ําสดงย้ําขอ จะดีในไม้ชาขอขึ้นความสุดให้เธอพระชาชนแผ่นดินจะดีในไม้ชาประเทศไทยโทงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญญลักษ์ของความเป็นไทย เราจงร่วม เวลา 8 นาฬิกาเป็นประชารัฐไทย รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกัน 90.25 MHz สทนนครพนม ประชามวลประชาอยู่มาพ้นภัย เพื่อนํารักกลับมาต้องใช้จะคืนกลับมา ไหวใจและศรัทธาแผ่นดิน ชาติทหารไม่ยอมแพ้พ่ายนี่คือ จะค้ำพันความบาด A ชาชนชนแผ่นประเทศไทยจะดีไหน เรียนรู้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ประชามวลประชาอยู่มาพลภัยขอดูแล 9 ปี เพราะการคืนความสุขให้กับทุกคนในชาติให้ได้จะ 2, ญญ า, 2 20 จังหวัด 95 สถานีขอเชิญทุกวันในเวลารายการอีสานม้วน น. าร, น. วางเรื่องราวดีๆมีสาระเพื่อการ แบ่งฝักแบ่งฝ่ายมาเป็นเวลานานตั้งแต่ 9 ปีที่แล้ว กลุ่มและอยากจะมามาทั้งการ รัฐบาลที่จะตั้งขึ้นมานะครับก็จะมีทั้งสภา เพื่ออำนวยความๆอย่างบันเทิงให้เค้าได้คลายเค้าได้ลดความกด ไม่มีข้อยุติมีข้อมาไม ขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบากมันเราจะทำตามสัญญา สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับท่านผู้ 1 ขอนแก่นและ 2 อุดรราชธานีพร้อม และติด www.army2.mi.th และ 2 3 ระยะครับครับระ ทางเร็วที่สุดครับครับการเลือกตั้งตามระบอบก็ หลายครั้งนะครับวันนี้ทางรายการเราก็ได้ ในสวัสดีครับท่านครับนครพนมครับครับท่านครับครับท่านครับสวัสดีครับ ทํากําลังทุกภาคส่วนนะครับทั้งทั้ง 1,123 ใน 99 ตำบล 12 อำเภอเนี่ยนะครับได้ 30 วันที่ปฏิบัติการเรื่องนี้ในวันที่ 1 มิถุนายนนี่เราเปิดศูนย์ 1 กรกฎาคม ออกไปทําประชาคมหมู่บ้าน ทั้งคืนความสุขให้กับ ท่านหัวหน้าละคะรักษากรอบสุขภาพ พอ 2 ฝ่ายได้คุยกันต่อหน้าผู้ จัด 2 อย่างเลยทั้งกิจกรรมกีฬากิจกรรมนันทนาการสนุก ประการที่สําคัญคือต้องการก็จะเข้าไปแก้ไขได้เลยนะครับมีบางปัญหาเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของ การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรการขยาย ทราบผลปรากฏว่าได้ดําเนินการท่าน ข้อสรุปครับท่านทั้ง 12 อำเภอนะ 10 แนวทางนะครับ อ่าทุกส่วนราชการนั่งฟังกันอยู่ ครับก็คือ 2 ปีซ้อน 2555 กับ 2556 อัน เกิดจังหวะที่มีความครับพูดง่ายผม เมื่อวานนี้ก็มองกันไปถึง มันต้องปฏิรูปกันที่ตัวนักการเมือง รู้มาตรฐานจริยธรรมที่ถูกต้องและสมควร ซื้อเสียงตัวเองก็เลยต้องซื้อ ในเรื่องของการปฏิรูปในเรื่องของเศรษฐกิจ เจ็บหนักเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องด้วย เป็นคือ 3 ที่เป็นๆเนี่ยๆ ไปประเทศจีนตอนใต้ได้ด้วยนะครับวัน 5,000 ล้านต่อปี มูลค่าการค้าชาย 6,000 ล้านพอ 5 เดือนเนี่ยนะครับครับมูลค่าการค้าชายแดนนครพนมเนี่ยขึ้นสูง ให้กับประเทศอาเซียนให้ได้วันนี้ก็ ทิวเขาเป็นของลาวทิวทัศน์เป็น ครับก็เป็นข้อสรุปของเมื่อวานนี้ จะเริ่มต้นได้จากใครครับท่าน โอกาสที่จะปรองดอง การเคารพความคิดเห็นของคนอื่นการ แล้วก็ช่วยกันทําให้เอ่อสังคมบ้านเมือง ลูกหลานเหมือนครอบครัวตัวเองนะครับหลานเหมือนครอบครัวตัวเองนะครับใน ครับครับครับท่านผู้ทาง www.army2.mi.th ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลาเดียวกันนี้ครับ วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านสวัสดีครับเทพอาท ราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคํา Zither เราชนแผ่นดินจะดีไหน เข้าใจปลองดองดองเริ่มต้นกันเริ่มต้นกันวันนี้ที่ 90.25 MHz สวท. ตอนลุคทุ่งกรุงเทพฯรวมใจกรมประชาสัมพันธ์คืนความสุขณดนตรีใน ติดอยู่ในหูเราโดยตลอดเลยก็คือบท อาจารย์นคร คุณชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติตอนนี้เนี่ยหากมี ใจนางเหมือนดังทางรถเนี่ยอันนี้ใน ไปดื่มด่ํากันนะคะในดนตรีไป 5 ถึง 7 นี้เขาบางนาราย ลำฝั่ง FM 92.5 และสถานีวิทยุ ความรุนแรงทําให้เกิด 3 ใจ ยอมรับความแตกต่างทางความ สถานี FM 92.5 และกลับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ช่วงนี้นะคะเราไปสนทนาพูดคุยรายละเอียดงานสัปดาห์เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานนะคะ ซึ่งวันนี้เนี่ยเราๆในเรื่อง การทํางานๆ การทํางานในที่ทํา ครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะๆเนี่ยไม่เคยได้ ในเรื่องของความปลอดภัย 32 ก็ไม่ดีเลย 2535 แล้วแล้ว 28 เราเรียก 28 นะครับครับ ทำให้ได้เอ่อมีมี ที่สํานึกของทุกคนมุ่งหมายไปเรื่องของความ แรงงานปลอดภัยสุขอนามัยที่ดี ค่ะก็เพราะฉะนั้นเองท่าน แล้วก็มาร่วมในการที่แล 35 ประเทศเนี่ยมาร่วม เพื่อเป็นการให้ความรู้เป็นระดับเป็น Pacific ด้วย ในความคิดของตัวดิฉันเองก็คือท่าน ซึ่งในขณะนี้เรามี<อ> อ่าอยู่เพื่อที่จะทําหน้าที่ใน <า>การทํางานซึ่งมันๆว่าจะควร ค่ะฟังท่านอาทิตย์ดีพูด ในตัวของค่ะแล้ว ปีหน้าเนี่ยนะคะท่าน 28 แล้วแล้ว สุขอนามัยที่ดีถูกมั้ย 3, 3 ถึงเลยนะคะค่ะค่ะวันพรุ่งนี้ เอ่อให้ความรู้อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเด็ก ถ่ายทอดองค์ความรู้ใส่ลงไป รถ군ไว้นะครับองค์ จะเตรียมไทยไว้ๆเลยแล้วแก่ ปัญหาแรงงานในบ้าน 2535 แล้วถูกมั้ยนะคะ การเกิดประสบอันตรายจากการทำงานๆที่<ใช> แล้วค่ะถึงค่ะเช่นร้านอาหารริม ดูแล ผมกําลังจะเข้ารายการสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ 3-5 กรกฎาคมที่ สถานประกอบการต่างๆประกอบก็จะไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกันต่างๆนะ นะคะแล้วก็ไม่ประมาทแล้วก็ทํางานด้วยความตั้ง ขนทําให้เกิดปัญหาเป็นอุปสรรค ถ้าจะมี 3-5 กรกฎาคม ศูนย์แสดงนิทรรศการไบเทคบางนานะคะก็จะ เอาเป็นองค์ความรู้มาแสดงด้วยนะคะเป็นองค์ความรู้มาเดี๋ยว พัฒนาสังคม สถานการณ์สินค้าเกษตรปีนี้บ้านเราจะเป็นยังไงเนาะจะปศุสัตว์ประมงนี่ info service.oae.go.th ก็ได้เฮ้ยพ่อไม่ให้แทคอันนี้นะเว้ยงั้นโทรไปเลยพ่อ ภาคคนไทยรักกันสามัคคีสันติสุข ประเทศไทยกลับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ช่วงนี้นะคะ น่าสน 4 ท่านด้วยกันนะคะที่จะมาขับ ในวันพรุ่งนี้เนี่ยศิลปินที่ คุณชินกร ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะแล้ว เพลงที่ทางท่านอาจารย์ชัยชนะ อย่างยิ่งทีเดียวโดยผ่าน 3 กรกฎาคมเนี่ย นอกจากนั้นจากนั้นแล้วเนี่ยก็ แบบจะทั้งๆทั้งสิ้นเลยนะคะเรื่องดังกล่าวนี้ๆครั้งนึงเนี่ย ใกล้ชิดกันเลยนะคะ Young Writer Award นะ เวลาโดยคุณพยอมวรายภชรานะคะอนุกรรมการฝ่ายเว 15 กรกฎาคมนี้นะคะน้องๆตัดสินใจแล้ว 254 6895022546895 นะคะไปดูเรื่องอุบัติเหตุกันสักซึ่ง ถามว่า 26 รายแล้ว 1,579 รายไม่ว่าจะเป็นบาด 1,579 รายด้วยกัน ต้นมกราคมจนถึงเมื่อวานนี้นะคะมกราคมเสียชีวิตไปแล้ว 5,270 รายนะคะแล้วอันนี้เป็นข้อมูลจากศูนย์รับแจ้งเหตุ บริษัทกลางคุ้ม 1791 หากที่ท่าน 1791 นะคะเขาก็จะสอบถามรายละเอียดแล้วก็จะ ท้องแน่นอนที่สุดเราเห็นการสัญจรไปมาบนท้องถนนนะคะแน่นอนที่สุดเรานั้น เพิ่งจาก จำนวน 5,270 รายแล้ว 5,270 รายเนี่ยดิฉันถือว่าไม่น้อยเลยนะคะใน ความประมาทความขาดสติเลินเล่อก็ฝากไว้ในบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะคะขาดสติพร้อมๆ บรรยากาศสถานการณ์ของเราๆ พรุ่งนี้ตอนเดี๋ยวดิฉันไปสัมผัสบรรยากาศสด ผ่านพัฒนาสินค้าเศรษฐกิจล่าไปก่อนถึง น. ถึง FM 92.5 ใกล้ชิดสถานการณ์โลก รับ 9 นาฬิกาค่ะต้นชั่วโมง 9:00 ศาสนาจะ 5 ศาสนา 3 สถาบันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 5 ศาสนา ในการดำเนินงานโครงการลานธรรมลานวิถีไทยศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยกรมการศาสนาได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้ 3 ภารกิจได้แก่การนำหลักธรรมคำสอนคุณธรรมศีลธรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยมาเผยแผ่สู่ประชาชนโดยเปิดพื้นที่วัด เป็นพื้นที่ดำเนินศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมเชื่อมโยงระหว่างสถาบันชาติศาสนาและ ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและเกิดความสุขหรือ วช. เป็นองค์กรหลักของ วช. เพื่อ วิจัยเพื่อประชาชนเพื่อประชาชน พลตรีนิรุตเกษิริผู้บังคับการจังหวัดทหารบุกสุรินทร์เปิดเผยว่าติดการบุกรุก เพื่อทําให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อยโดยในๆเป็นจํานวนๆทั้งการจัด โดยภาพรวมประชาชนชาว นางพัชรณีกิตถาวรกงสุลใหญ่ณ4 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนของ ทั้งนี้เพราะสื่อมวลชนจีนหรือเคอร์ฟิวก็ตาม ตลอดในหลวงทรงงานอย่างหนักเนิ่นนานปีที่ผ่านมา เราภาคภูมิใจเหมือน สามัคคีกันยิ้มให้กันไม่ทําร้ายกัน มาติดตาม 80.03 จุดหรือ 100.52 อยู่ที่ 0.52 15,406.23 จุดเมื่อ 129.47 จุดหรือ 100.77 ปิดที่ 0.77 16,956.07 จุด S&P เพิ่มขึ้น 13.09 จุดหรือ 100.67 0.67 ที่ 1,973.32 จุด NASDAQ เพิ่มขึ้น 50.47 จุดหรือร้อยละ 1.14 จุด